สซ่านก่อนอาหารเช้าเราก็ได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์สารท่านพูดเรื่องแบ่งปันความอิ่มให้กับผู้ยากไร้ทําให้อดัมาเนี่ยจะนําเรื่องมาเชื่อมโยงกับของอาจารย์เพราะทุกวันนี้คนเห็นแค่ตัวมากแต่ถ้าเราแบ่งปันหรือให้ความสุขคนอื่นความสุขนั้นก็จะมาหาเราเหมือนกันวันนี้จะพูดประเด็นเรื่องยิ่งให้ยิ่งได้มีเศรษฐีอยู่คนหนึ่ง คนที่ร่รวยมากแล้วก็มีลูกชายคนเดียวค้นลูกชายโตเป็นหนุ่มเศรษฐีก็อยากให้ลูกชายเนี่ยมีภรรยาที่ดีเพราะถ้าได้ภรรยาไม่ดีเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับครอบครัวระยะยาวจึงให้ลูกชายเนี่ยไปหาเจ้าสาวที่ตัวเองชอบเนี่ยที่หมายตาไว้ให้เวลาทิศหนึ่งแล้วตั้งเงื่อนไขว่าหากจับปลาช่อนตัวใหญ่มาก มาตัวหนึ่งเนี่ยจะทำยังไงถึงจะกินปลาช่อนตัวนี้ได้นานที่สุดโดยให้หญิงสาวทุกบ้านที่ไปถามเนี่ยเป็นผู้ตอบชายหนุ่มก็ทําตามพ่อบอกโดยไปหาหญิงสาวบ้านาต่างๆในเมืองใครๆก็รู้จักชายหนุ่มเพราะว่าเป็นลูกเศรษฐีใครๆก็อยากเป็นภรรยาท่านไปถามว่าบ้านเลือกเกี่ยวปลาช่อนนี่ย สาวสาวก็ตอบไปคนละที่คนละทางบ้างก็ตอบว่าก็นําปลาเนี่ยต า, ตากไว้จะได้กินนานๆบ้างก็บอกว่าทำปลาล้าจะได้กินานานๆบ้างก็ให้ตากแดดแบบใส่เกลือจะได้กินานานๆจนมาถึงบ้านหนึ่งชายลูกเศรษฐีก็ไปถามผู้หญิงคนนี้ว่าหากจับปลาช่อนตัวใหญ่มากมา จะทําไงกัปบปลาช่อนตัวนี้ให้กินได้นานที่สุดเธอก็ตอบว่า mm. เธอจะแบ่งเป็นสามส่วนส่วนแรกกินกันเองกับครอบครัวของเธอส่วนที่สองเลือกส่วนที่ดีที่สุดสําหรับทําบุญให้พระสงฆ์ส่วนที่สาม mm. ก็จะนําไปแจกให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันชายหนุ่มก็ถามเหตุผลว่าทําไมต้องแบ่งเป็นสามส่วนเราจะกินได้นา น, านได้ยังไง เธอก็บอกว่าส่วนที่1เนี่ยกินครอบครัวเนี่ยกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วกินเสร็จแล้ววันต่อไปก็หาใหม่อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนที่2เนี่ยเอาไปกินชาตินหน้าเพื่อความสุขและถือว่าทํานุบํารุงพุทธศาสนาด้วยส่วนที่สามเนี่ยเป็นส่วนที่กินไม่หมดเพราะว่าเราให้ให้แบ่งไปให้คนอื่นเนี่ยคนอื่นก็ระลึกถึงเราบางครั้งเขาก็เอาของมาให้เราให้กันไปให้กันมาอยู่อย่างเงี้ยส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่กินไม่หมด โอชัยหนุ่มก็พอใจคําตอบก็ไปเล่าให้ใหเสถียรฟังเสรษฐีก็ให้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แหละแล้วคลองรักกันอย่างมีความสุขทําให้นึกถึงเรื่องของหลวงพ่อปัญญาสมัยวัยเด็กหลวงพ่อปัญญาเนี่ยเป็นคนจังหวัดพัทลุงนะเกิดจากครอบครัวชาวนาฐานะบ้านท่านก็อยู่ในฐานะปานกลางไม่ถึงกับรวยแต่พ่อแม่ของหลวงพ่อปัญญาเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่ธรรมและเป็นคนโอ้โอวดอรีมากเลย ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีของอะไรก็แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านเสมอคือเป็นคนที่บ้าเลยด้วยน้ําใจแหละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเวลามีของเลยหลวงพ่อบัญญาตอนไว้เด็กอะชื่อเด็กชายปันเนี่ยก็ต้องเอาของไปให้เพื่อนบ้านบางทีทําให้อดเล่นเลยบางทีทําให้ท่านเบื่อก็มีเพราะว่าการเล่นกับเพื่อนเอนสนุกเอาเดี๋ยวพ่อแม่ตามไปแล้วให้อาของไปแจกกันแล้วบางทีก็ถ้าได้ปลาไปกองๆเนี่ยก็ต้องนําปลาเดี่ยก็ เอาไปแจกให้เพื่อนบ้านบางทีแจกทั้งวันเลยก็มีซึ่งตอนหลังหลวงพ่อปัญญาเนี่ยก็มีศรัทธาฝ่ายธรรมตามพ่อตามแม่นะท่านบวชในตั้งแต่อายุแล้วท่านก็ไม่ศึกเลยตอลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านก็ไม่ได้ให้ทานเป็นวัตถุนะแต่ท่านก็ให้ธรรมทานแทนคือเทศสั่งสอนโยมให้รู้จักบาปบุญคุณโทษชี้ถูกชี้ผิดทาให้คนเกิดปัญญาทั้งชีวิต จนท่านลัสังขารไปเมื่ออายุ96ปีก็ถือว่าทำประโยชน์ส่วนหนึ่งก็มาจากพ่อแม่ของท่านนั่นแหละคือเห็นพ่อแม่เป็นตัวอย่างก็เลยเป็นคนที่มีจิตใจดีงามและท่านก็พูดบ่อยนะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ถ้าเรามองแบบเหตุผลนี่ยมันก็ขัดแย้งอ่ะนะเอ๊ยยิงให้เป็นต้องยิ่งเสียสิไปยิ่งได้ได้ยังไงแต่ถ้าเรามองทางธรรมเนี่ยยิ่งให้ก็ยิ่งได้และกินไม่หมดด้วย ถ้ายิ่งอยากก็ยิ่งเสียแต่ถ้าเกิดยึดติดสิ่งใดเราก็เป็นธาตสิ่งนั้นแหละตกเป็นทาตถ้าเราคืนสิ่งใดให้กับโลกสิ่งนั้นก็จะเป็นของเราทั้งหมดเลยอันนี้เหมือนกับโลกเล่ตโลกกับเราอันนี้อามาจมักรจำมาจากข้อเขียนของอาจารย์นะเพราะอาจาเขียนไว้ตอนนั้นเราก็สามารถนําไปใช้ได้เวลาให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนเราก็ได้ความสุขอาณาจัสังเกตแหะคนที่ขี้เหนียวเนี่ย สมมตรเพระพระขี้เหนียวก็มีจะไม่ค่อยมีใครอยากคบด้วยหรือไม่มีใครอยากให้ของนะเพราะคนขี้เหนียวมันจะมีท่าอะไรบางอย่างที่ปิดกั้นตัวเองโยมก็ไม่อยากทำบุญกับพระที่ขี้เหนียวเพราะทําแล้วมันเหมือนกับยังไงก็ไม่รู้นะมันแต่ถ้าคนที่ใจใจดีชอบให้เนี่ยคนก็อยากทําบุญด้วยอันนี้เห็นกับตาตัวเองหลายคนเลยคนที่ขี้เหนียวเนี่ยคนก็ให้ของก็ต้องมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันคือยื่นหมูยื่นแมวอะไรเงี้ยคือไม่ให้กันง่ายอะ่ะต้องมีผลประโยชน์ลงตัวถึงจะได้ ชีวิตก็ไม่ค่อมีความสุขแล้วส่วนมากจะใช้ของไม่ค่อยดีนะขนประเภทเนี้ยจะซื้อของอะไรก็คิดแล้วคิดอีกจะไปเที่ยวไหนก็กลัวเสียตังค์กินอาหารอร่อยก็กลัวเสียตังค์คือชีวิตขาดความสุขเลยทั้งชีวิตอันนี้เป็นกา ร, รเบีนเวียนเหมือนกันมีชายอยู่คนหนึ่งนอนหลับอยู่ในบ้านก็มีนางฟ้ามาชวนไปเที่ยวในรกสวรรค์ชายคนนี้ก็ตกลงไปเที่ยวด้วยนางฟ้าก็พาไปสถานที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่ใหญ่โตเลยมีโต๊ะอาหาร ยาวเหยียดแล้วก็มีผู้คนเนี่ยนั่งบนโต๊ะอาหารที่หรูมากเลยนะนางฟ้าบอกนี่ะคือนรกและพวกที่เห็นก็คือสัตวน์นรกแต่ละคนหน้าตาอิดโรยสู้ผอมหมองค้าไม่มีลาสีเลยมีอาหารอร่อยบนโต๊ะเนี่ยก็ไม่สามารถกินได้เพราะมีเงื่อนไขห้ามใช้มือหยิบและช้อนก็ยาวหนึ่งเมตร ช้อนเนี่ยไม่สามารถตักเข้าปากได้ตักแล้วก็หกทุกคนจึงไม่ได้กินได้แต่มองอาหารดูละนาวสงสารมากหลังจากนั้นนางฟ้าก็พาชายคนนี้ไปอีกห้องหนึ่งก็คล้ายกับห้องแรกที่พาไปนางฟ้าบอกนี่คือสวรรค์แล้วก็มีคนนั่งล้อมโต๊ะเหมือนกันอันนี้คือเทวดากับนางฟ้าบนสวรรค์ ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่เทวดานางฟ้าบนโต๊ะอาหารเนี่ยหน้าตาอิ่มเอิบอ้วนท้วงสมบูรณ์ดีทุกคนผิวพรรณสดใสเพราะเหตุใดเพราะว่าที่นี่เหมือนกันรกแหละแต่มีชอยาวหนึ่งเมตรทุกคนกข้ป้อนให้กันป้อนให้คนข้างๆป้อนให้คนข้างหน้าทุกคนยืนได้กินอาหารบนโต๊ะอย่างเอร็ดอร่อยสมหวัง ทำให้ทุกคนมีความสุขไนงะแล้วนางฟ้าก็อธิบายว่านลกสวรรค์เนี่ยต่างกันตรงที่ว่านโลกเนี่ยสัตว์โลกจะเห็นกับตัวเห็นกับตัวเห็นกับตัวเองคือคิดถึงแค่ตัวเองไงก็เลยทําให้อดกินไม่ยอมแบ่งปันให้คนอื่นส่วนชาวสวรรค์เนี่ยจะไม่เห็นกับตัวไงจะมีแต่ให้ช่วยเหลือคนอื่นก็เลยทําให้ชีวิตอยู่ความสุขเพราะให้คนอื่นคนอื่นก็ให้เราไงให้กันไปให้กันมา ก็เหมือนกับยิงให้ยิงได้กี่นัดไม่หมดอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เกิดที่นรกเหมือนกันวิญญาณสองตนหลังจากพ้นโทษแล้วก็ถูกโยมทูตอ่ะพามาหาโยมบาลเพื่อชำระความและส่งไปเกิดโยมบาลจึงบอกวิญญาณสองตนว่าเราให้สิทธิพิเศษกับเจ้าอยู่ที่ใครจะขอก่อน หนึ่งไปเกิดเป็นผู้ให้ตลอดชีวิตมีสิ่งของอะไรก็ต้องให้แบ่งปันให้คนอื่นส่วนอีกข้อหนึ่งไปเกิดเป็นผู้รับตลอดชีวิตได้รับสิ่งของจากคนอื่นตลอดชีวิตอุญญาณทั้งสองได้ยินดังนั้นน่ะก็แย่งกันเลยอีกคนหนึ่งแย่งไม่ทันคนที่แย่งก็ขอไปเกิดเป็น ผู้รับตลอดชีวิตอุ ญ, ญาณอีกตัวหนึ่งไม่ได้ทำไงก็ได้แต่ฟังโยบาบาลพิพากษาโยบาน ก, ก็เอ่ยขึ้นว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนโลภเห็นแกนตัวขี้เกียจธรหมากินอยากเป็นผู้รับตลอดชีวิตไปเกิดไปขอทานก็นแล้วกันส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ให้ตลอดชีวิตเนี่ยให้ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีจะต้องทําบุญแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่นตลอดชีวิต การพิพากษาของโยบานเนี่ยทำให้วิญญาณสองตกตะลึงไม่รู้ทำไงสรุปแล้วจิตที่คิดจะให้เนี่ยก็ดีกว่าจิตที่คิดจะเอาครัวดำเพนซึ่งทาคือการให้ท่านว่าไว้สวยงามสามตฐานหนึ่งให้ของสองธรรมะชรมาณอภัยทานที่สดีเหลือเกินเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นยาจกมีคนยกคนรักมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ขอก ง, งเขาไม่เข้าที เสียรักศีคนชังรังเกียดเราสองธนะวิจัยเห็นแจ้งอย่าเครือบแคงกางขาอย่างโง่เขาเป็นผู้ขอผู้ให้ตามใจเราจะเลือกเอาอย่างไหนคิดให้ดีมีมีเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วที่วัดสุทัศนมีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งมาเรียนหนังสือระดับมหาวิทยาลัยเพราะฐานะธรมายากจนไงแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงเปิดเทอมเนี่ยต้องเสียค่าเทอม หนุ่มคนนี้ที่เป็นเด็กวัดเนี่ยไม่มีตังค์ให้ค่าเธอไม่รู้ทําไงจึงไปรปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็แนะนําให้ไปจับนกพิราบอะที่เกาะตามชายคาวัดเนี่ยเอาไปขายให้อะแปะข้างวัดแต่แล้วจับเยอะๆนะจะได้ได้เงินพอค่าเทอมเด็กหนุ่มคนนี้ไม่รู้ทำไงไม่มีทางเลือกจึงทําตามที่เพื่อนบอกแหละกลางคืนคืนนั้นน่ยก็ไปดักจับนกน่าจะเยอะพอสมควรเน่ยนกเต็มกระสอบเลย แล้วก็เอานกเนี่ย ว, วางไว้หน้าห้องกะว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะรีบไปเอาไปขายให้แปะข้างวัดหนุวันนี้ก็รีบตื่นในเช้าเพื่อจะเอากระสอบจับนกไปขายผมปรากฏว่าเจอในกระสอบเปล่านกหายหมดเลยนกโดนจับปล่อยหมดเลยเอาเอามือคำคามดูเอา้าในกระสอบนีกัอยู่5้าร้อยบาทก็ตอนนี้กาลังร้อนเงินน่ะไอห้าร้อยบาทนี่ก็เอาเอาไปเสียค่าเทอม แล้วก็ไม่มีพู้มาแสงตัวว่าให้เพราะอะไรใครเป็นคนให้จนเรื่องราวลืมไปไอเด็กคนนี้ก็เรียนรัฐศาสตร์แล้วก็จบเป็นบัณฑิตนะตอนหลังก็รับราชาการเป็นได้ดีแบบจนเป็นประหลัดเป็นนายอำเภอแล้วตอนหลังนก็เป็นรองผู้ว่าอีกไม่นาเขาเป็นผู้ว่ารองผู้ว่าเนี่ยก็คิดถึงอดีตความหลังคิดถึงหลวงพ่อที่เคย พอถามคําชูมาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างจึงเดินทางไปเยี่ยมวัตสุทัศน์ตอนนี้ก็เจอหลวงพ่อซึ่งตอนนี้เป็นหลวงตาแนละ้วอายุมากแล้วก็เข้าไปเอ่ยถามทุกสุบดิบต่างๆแล้วก็ถามถึงเรื่องว่าหลวงพ่อพอ ร, รู้ไหมว่าเมื่อก่อนนี่ยใครเป็นคนจับเอาลนกพิลาผมไปปล่อยแล้วเอาเงิน500ร้อใส่แทนหลวงพ่อก็เขกกะโหลกลงว่าเบาๆ บ, บอกตัวเองนี่แหละเป็นคนช่วย และปล่อยนกพีลาบเพราะกลัวเองเนี่ยจะตกระลกถึงช่วยเองเนี่ยไม่ตกร ล, ลกแล้วรู้ว่าเองเป็นคนดีตั้งใจใฝ่เรียนคงไม่เอาเงิน500อเนี่ยไปใช้เหลวไหลใช้ในทางที่ไม่ชอบหลวงพ่อก็เลยช่วยและเองก็ไม่ทําให้หลวงพ่อผิดหวังนี้ทําให้หลวงพุวะทราบสืงใจมากแต่หลวงพ่อเขาก็มีวิบายนะท่าเป็นคนฉลาดอันสอนท่านช่วยเนี่ยถ้าไม่แสดงตนให้ ให้เด็กวัดรู้เลยว่าตัวเองคนช่วยแล้วไม่ทวงบุญคุณไม่บอกไม่มีใครรู้ด้วยนะเป็นความลับสุดยอดคือช่วยแบบไม่หวังผลตอบแทนนะสุดท้ายเนี่ยก็ทําให้เด็กคนหนึ่งเ่ยได้ดีเป็นคนดีรับใช้สังคมอันนี้ก็คือการที่ท่านไม่เห็นกนตัวเลช่วยแล้วช่วยจริงๆอันนี้ก็น่าเป็นตัวอย่างของการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนเรื่องต่อมาวันนี้ก็ปูนเปียกกับแถวเรื่องโยมเรื่องนรกนี่แหละ เศรษฐีคนหนึ่งกำลังจะตายแล้วพะ ง, งาบพะ ง, งาบโยมบัตุก็ปรากฏตัวขึ้นเศรษฐีเห็นโยมทูตุจึงถามว่าจะพาไปไหนโยมทูตุบอกจะพาไปนรกเศรษฐีไม่พอใจมากเลยบอกว่าตนเนี่ยทำบุญทำทานมากมายสร้างวัดสร้างโบสถ์ช่วยเหลือบุญุที่ต่างๆ จะตกลกได้ไงคนไปสวรานนี่ก็ถูกต้องฝ่ายอยู่บทุกกระจายกว้างนะบอกว่าถ้าเจ้าไม่พอใจเอางนี้ก็แล้วกันข้าจะให้เจ้าเนี่ยมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งภายในเจดวันนี้ใ ห, ให้หารอยยิ้มจากใจจริงมาได้สามครั้งแล้วข้าจะให้เจ้าเลยไปสวรค์เศรษฐีชอบใจนะพอเงื่อนไขนี้คิดว่าเออรอยยิ้ม จากใจจริงเนี่ยมันหาไม่ยากหรอกสบายมากก็ตกลงอยู่บาทูดไปขั้นหายป่วยคือวันแรกก็หายป่วยแล้วแหละเพราะว่าเล่นลิศของโยบาทูดเศรษฐีนึกถึงใบหน้าของภรรยาสุดที่รักขึ้นมาเลยก็ต้องทำให้เธอยิ้มให้จากใจจริงให้เราให้ได้ถึงไปซื้อเพชรเม็ดงามให้ภรรยา เป็นการเซอร์ไพรส์ภรรยาก็แปลกใจ อ, อยู่ๆทำไมสามีถึงมาดีกับเราก็ดีใจนะแต่โยทุลก็ซิบค้างหูว่านั่นอะ่ะมันไม่ใช่รอยยิ้มจากใจจริงยังไม่ได้เศรษฐีก็ซื้อบ้านก็นแล้วซื้อรถก็แล้วซื้ออะไรให้หลายอย่างภรรยาก็ดีใจทุกครั้งแต่โยทุลก็ออกยังไม่ใช่สามวันผ่านไปจน เศรษฐีท้อใจแล้วมารทยาทำไงยังไม่ได้รอยอยู่จากเมียเลยเช้าวันที่สเริ่มโปรงตกจึงมาแปลกเช้านี้ก็เลยมาตั้งใจจะทำอาหารเช้าให้ภรรยาแหละคือมาทำไส้กรอกกาแฟอาหารแบบกินเล่นแบบฝรั่งอะ่ะโดยลงมือทำเองเพราะบ้านเศรษฐีมี มีคนใช้หรือแม่ครัวหลายคนปกติไม่จำเป็นต้องทําเศรษฐีก็ตั้งใจทํามากเลยภรรยาตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นภาพเศรษฐีกําลังทําอาหารให้เนี่ยรู้สึกเซอร์ไพรส์ามากเพราะไม่เคยมานานแล้วหลายสิบปีเคยทําให้ก็ตอนที่ยังยากจนอยู่ยังไม่รวยคันทําเสร็จเศรษฐีก็ ตักอาหารป้อนใส่ปากภรรยาให้คิดถึงความหลังครั้งที่เรายังช่วยกันสร้างตัวภรรยาขณะนั้นหน้าตา ย, ยังไม่ได้แต่งเลยเกิดความปิติมากยิ้มแบบผ่อนคลายยิ้มแบบไม่เสียแส้งจากใจจริงอยู่ว่ทู่ก็ซีกข้างหูเนี่ยเจ้าได้ยิ้มจากใจจริงครั้งนี้หนึ่งละ ว, วันนั้น เศรษฐีก็ดีใจที่ได้ยิ้มแลกมองหายี่ปีสองก็เอาลุกน้องคนสนิทนั่นแหละที่อยู่กันมานานโดยตั้งให้เป็นรองรองรองผูอง้อนวยการแล้วก็มอบมอบเนี่ยมอบมอบไป ห, หุ้นให้บางส่วนลูกน้องนี่ก็ดีใจคำนับแล้คำนับอีก แต่เศรษฐีก็รู้สึกว่าเป็นการยิ้มที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจจริงนะคือมันมีแฝงแววแววเครียดอยู่ก็ไม่รู้จะทำไงจนถึงวันสุดท้ายเศรษฐีตอนนี้เริ่มรู้ชะตากรรมแล้วว่า โ, โหยิ้มแต่และยิ้มใจจริงนี่ยากมากไม่ง่ายเหมือนที่คิดใครไม่ถึงที่ทำงานเศรษฐีก็เรียกคนสดิทมาแล้วก็ บอกให้พักผ่อนโดยยื่นตั๋วเครื่องบินให้ให้พาครอบครัว ไ, ไปพักถือว่าทํางานช่วยเหลือกัรมานานแล้วตอนเนี้ลูกน้ อ, องคนสนิทเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากเลยดีใจแบบผ่อนคลายเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยถูกมองว่าเป็นพ่อที่ใจร้ายพ่อหัวหน้าครอบครัวที่ใจร้ายไม่เคยพาลุกเยีวไปเที่ยวไหนเลยบ้างาน พอได้มีความสุขอยู่ครอบครัวเนี่ยเขาก็เลยผ่อนคลายอยู่บทูนก็บอกว่าบอกว่าเนี่ยเจ้าได้รอยยิ้มที่สองแล้วเศรษฐีก็โอ้โหเวลาใกล้หมดแล้ววันที่วัสุดท้ายเหลือไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะตายต้องตกอโลกแล้วคิดถึงนรกก็ขนหูใจตอนที่ยอมรับชะตากรรมแล้วตกอลกก็ตกอลกไหนๆก่อนจะตายแล้วขอเดินเที่ยวชมเมืองท่งน่อย จึงถอดสูตปรปกติเศรษฐีไปไหนไม่ไหนจะมีคนขับรถให้นะรถคันหรูเนี่ยแกก็นั่งรถเมล์แล้วก็เดินเล่นตามถนนน่แหละใช้ชีวิตง่ายๆดูบ้างขนาดที่เศรษฐีเหลือเวลาเหลือน้อยสายตาก็เหลือไปเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเนี่ยกลางร้องไห้เสียงดังอ้าไหนๆด้นไหนจะตายแล้วเผื่อช่วยเด็กคนนี้ได้แกก็เดินไปถามเด็กว่าหนู ต้องการให้ลุงช่วยเหลืออะไรเด็กก็บอกว่าเนี่ยพันหลงกับพ่อแม่หาพ่อแม่ไม่เจอเศรษฐีจึงพาเด็กเนี่ยไปที่โรงพักแจ้งความแล้วก็ให้ประสานงานติดต่อพ่อแม่ให้เด็กมารับตัวเองก็นั่งอยู่ที่โรงพักแล้แหละพักใหญ่พ่อแม่เด็กก็มาที่โรงพักสามคนพ่อแม่ลูกเนียก็สวมกอดกันโอ้ ด, ดีใจมากเลย เศรษฐีเห็นภาพนั้นเนี่ยตัวเองก็มีความสุขนะเกิดปิติยิ้มแบบผ่อนคลายทันทีเลยเพราะว่ามีส่วนช่วยให้ทั้งสามคนเจอกันนะ ย, ยิ้มแบบผ่อนคลายที่สุดสักพักหนึ่งโยบัตุก็ปรากฏตัวขึ้นโยบัทุเอ่ยว่าเจ้าได้รอยยิ้มพี่สามแล้วเศรษฐีงงเลยรอยยิ้มพี่สามาจากไหนโยบัตุก็เซกกระจกวิเศษแล้วให้เศรษฐีดู เศรษฐีดูหน้าในกระจกอะ่ะเอา้าตอนนี้เศรษฐีหน้าเศรษฐียิ้มยิ้มแบบมีความสุขไม่ใช่ไม่เหมือนกับเป็นผู้ดำเนการเศรษฐีจจยักษคนก่อนตอนนี้เป็นลุงชะลาแก่ๆที่มีความสุขคนหนึ่งโยวทูตก็เอ่ยต่อว่าเนี่ยตอนนี้เจ้าได้รอยยิ้มสามครั้งแล้วมันเอาไปตกอุลกแล้วแต่ช่วงนี้เทวทูตไม่อยู่ เจ้าก็ใช้ชีวิตบนโลกต่อไปให้ทําความดีเยอะๆจะได้ไม่ตกอโรคจะได้ทําพระสูตคนอื่นด้วยเรื่องนี้เป็นทิทานแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องสอนใจนะว่าคนเราเนี่ยยิ้มแบบใจจริงยากส่วนมากยิ้มเสแสร้งยิ้มเจือปน ด, ด้วยความเศร้ายิ้มเพราะหลอกตัวเองก็มีไม่ได้ยิ้มแบบใจจริงยิ้มแบบใจจริงก็คือยิ้มที่แบบบริสุทธิ์ เหมือนเศรษฐีเนี่ยที่ช่วยเด็กแลวแลเกิดความสุขเรื่องที่พูดมาวันนี้ก็ส่วนมากมีหลายเรื่องก็จะเน้นเรื่องเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับให้ความสุขกับคนอื่นคนอื่นก็ให้ความสุขเราเราให้ทุกคนอื่นคนอื่นก็ให้ทุกเราถ้าเราอยากมีความสุขเราก็ต้องเพ็นตนเป็นผู้ให้ให้โดยไม่หวังสินตอบสินตอบแทนนะบางทีให้แบบให้ไปก็อาจจะไม่ได้ของมาหรอก อาจจะได้น้ำใจหรือบางคนเรให้ให้ของคนใจแคบเขาลืมเราก็มีเราก็อย่าหวังบุญคุณอย่าหวังผลตอบแทนให้โดยคิดว่าบางครั้งก็เหมือนกับการเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวให้เราก็ลืมไปเลยอะไรเงี้ยถ้าทํางั้นเราก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดคนอื่นให้เราเราก็รู้สึ ก, กบุญคุณแล้วเราก็ต้องตอบแทนเขาอันเนี้ยคือหน้าที่เพราะถ้าเรารับบุญคุณจากคนอื่นแล้วเราไม่ตอบแทนอันนี้ก็ไม่ใช่คนมีคุณธรรม คนอื่นเราลืมได้แต่เราลืมไม่ได้ช่วยคนอื่นไม่วางคนตอบแทนแต่คนอื่นช่วยเราเราต้องตอบแทนบุญคุณเขาเพราะคนที่มีคุณธรรมเนี่ยจะมีความเจริญรุ่งเรืองชีวิตไม่ตกอับซื้อกินไม้หมดคดกินไม่นานแต่ถ้าเราเป็นคนเห็แก่ตัวชีวิตเราก็ไปไม่รอดเสียหลายเด้งเลยเสียงทางโลกเสียงทางธรรมคนก็ไม่เชื่อถือสุดแล้วก็คือยิ่งให้ยิ่งได้แล้วทาให้ลดความเหนแก่ตัว พูดมาเห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็ให้เป็นผู้ให้ดีดีกว่าเป็นผู้รับเอวัง